ตัณหาเนี่ยเป็นอีกสูตรหนึ่งที่คุ้นเคยกันบ่อยๆก็คือเป็นตัวสังโยชน์ น, นะตัวสังโยชน์นคือท่านแปลว่าเป็นเครื่องร้อยรัดนั่นนะร้อยแล้วก็ทั้งร้อยด้วยนะร้อยจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งด้วยแล้วก็รัดเอาไว้กับอารมณ์ที่มันชอบด้วยนั่นนะเกราะแปลเป็นไทยๆก็ก็ชัดเจนเดียว น, นะคือร้อยกับรัดนี่นะก็คือร้อยเอาไว้จากเคยเห็นปลาเข้าร้อยไหม ก็ร้อยปลานะเช่าๆนะเสียบเสียบจมูกแล้วไปออกเงี่ยงหัวนะต้อมาร้อยบ่อยสมัยก่อนร้อยเยอะเลยนะเช่าๆนี่ร้อยได้เยอะเลยนะหมอปลาโลกบกเพิ่งเห็นมีหน้ามะเรงมันเกิดได้ทุกแห่งว่างั้นหมอเขาบอ ก, บอกเออนั่นเห็นเ่าร้อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกร้อยเองม า, ลานะแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ร้อยน่าจะร้อยเป็นร้อยเป็นพันตัวแล้วมั้ง น, นะมันก็ถ้ามันจะเจ็บมันจะปวดก็เออเนี่ยทําเหตุไว้แล้ว เพราะฉะนั้นในเหตุที่ทําไว้แล้ววิบากที่มันเกิดอะไรมันร้อยเอาไว้ตัณหามันร้อยเอาไว้ร้อยระหว่างกรรมกับวิบากแล้วก็ร้อยเราเหตุคือกรรมก็จะนําไปปฏิสนธิอีกต่อไปแล้วก็ที่รัฐเนี่ยใช้คําว่ารัฐเนี่ยคือมันรัฐให้ติดกับอารมณ์ที่มันปรารถนานั้ น, น, นใช่ไหมถ้าปรารถนาในรูปารมณ์มันก็จะไปรัฐให้มันติดกับรูปารมณ์ที่อยากเห็น นะรับแบบรูปอันนะถ้ามันยินดีในเสียงมันก็ไปรัดเอาไว้กับเสียงนั้นๆนะมันไม่ได้ยินมันก็จะไปไปหาให้มันได้จนได้รับนะนะรับเพื่อที่จะได้ยินเพื่อที่จะรู้กลิ่นเพื่อที่จะรู้รสเนี่ยนะร้อยก่อนแล้วก็รับด้วยร้อยรัดร้อยรัดร้อยรับนะนะมีตัญหาเป็นเครื่องร้อยรับผลของเขาก็คือไม่เป็นไรเกิดบ่อยๆเนี่ยนะนะถ้าถามว่าเรากลัวเกิดหรือกลัวตายกันแนะ่กลัวเกิด น, นะ ถ้ากลัวเกิดก็รีบละตันหาถ้ากลัวตายก็สแสวงหายาให้มากๆนะนะถ้ากลัวเกิดจริงๆก็ต้องน่าจะกลัวสิ่งที่นำเกิดคือคืออะไรนะทวนนะพยายามทวนปฏิจจะให้ได้น็นะคือเราว่าโอตระหนหาระการหยางลงสู่ขันายตระนัปฏิจจะต้องมันหยางลงให้ได้อ่างั้นนะถ้าเกิดมาจากไหนมาจากกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากความเพลิดเพลินนี่แหละเพลิดเพลินใน รูปเสียงเปลีย่ยนรถโภทภะและธรรมรมณ์นั่นแหล ะ, ะตันหายอีกสาบหนึ่งเขาบอกว่าเวลามันเกิดแล้วก็เสียบแทงจิตเนี่ยนะเป็นตัวเขาเรียกว่าสาละเนี่ยนะสลระก็คือลูกศรเกิดขึ้นมันก็เสียบแทงในจิตใจเนี่ยนะทังแห่งก็บอกว่าตัวนี้แหละตัวที่ขยายกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏที่เรียกว่าขยายวัตตะวัตตะก็ขยายสังสาระนั่นนะ เมื่อไหร่ที่เห็นว่าโอ้ตันหาเนี่ยเลวร้ายจริงๆนะ น, นั่นแหละจึงจะจึงจะเข้าเขาว้างแล้วนั่นนะว่าผลพวงของตันหานี่มันเลวร้ายมากมีพูดถึงในคมภีร์ชินกาลมาลินีพูดถึงกล่าวถึงพระโพธิสัตว์แรกๆที่ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่ชอดหนึ่งท่านขี่ช้างเหมือนนเป็นพระราชาเนะเป็นพระราชาก็ขี่ช้าง ทีนี้ช้างแบบโบราณเนี่ยมันก็เป็นขี่ช้างเที่ยวสวนน่ยนะประพาสอุทยานอุทยานสมัยก่อนมันก็จะมีช้างพวกช้างช้างตัวเมียเรียกช้างอะไรเนี่ช้างพังเลยนะนะช้างตัวผู้เรียกช้างพลายใช่ไหมทีนี้ช้างเนี่ยมันมันมีรดูแล้วมันก็ถ้าเป็นช้างช้างพังที่มีรดูเนี่ยนะมันก็จะปล่อยกลิ่นเอาไว้ทั่วไปหมดะไอช้างพลายที่ที่พระราชาทรงมาเนี่ยกลังตกมันพอดีเลย เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอได้กลิ่นเท่านั้นแหละเนี่ยนะบึงเลยเนี่ยนะบริษัทเนี่ยแตกตื่นหมดเลยนะพระราชาก็ลงก็ลงไม่ได้ก็ป้ายกับช้างนี่แหละเนี่ยนะก็เลยแล้วช้างมันก็พาวิ่งไปเรื่อยนะวิ่งไปแล้วก็ไปพระราชาก็ไปเกาะกับต้นไม้ได้ น, นะเกาะกับต้นไม้แล้วก็ลงมาเนี่ยนะแทบตายอะ่ะแล้วก็ไปเรียกอาจารย์ช้างมาที่ อาสาอาจาร์นะเอ้ยก็เรียกว่าหัดถาอาจาร์เรียกอาจารย์ช้างมาบอกไหนว่าท่านฝึกช้างของท่านมาดีแล้วเหมือนกันเขาบอฝึกดีแล้วจริงๆพระเจาางง้าค่ะเหมือนกันเอาแล้วทําไมงานนี้มันกําเริบบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาพระเจ้าค่ะถ้าไม่กลับมาสมมติว่าเขาก็นัดเวลาให้นะถ้าไม่กลับมาในเวลาที่มาเนี่ยที่ที่กำหนดให้เนี่ยท่านคอขาดแน่มาพระเจาางง้าค่ะเหมือนกันนี่ยทีนี้ก็อีกวันสองวันเนี่ยนะช้างก็กลับมาคืน ช้างพอกลับมาคืนนี่ก็แต่ว่าอ้าวช้างกลับมาได้ยังไงบอกแบบมาด้วยมนของข้าพระ อ, องค์พระเจ้าค่ะแล้วก็ถามไปว่าในชั้นท่านฝึกช้างเนี่ยท่านฝึกยังไงเหมือนนเน่ยท่านบังคับช้างเนี่ยได้ไหมบอกได้งั้นให้ช้างจับก้อนหินร้อนๆซินะจานช้างเขก็ไล่มนของเข้าไปนะช้างมันก็ไปเอื้อมจับไอ้ก้อนหินที่เผาไฟเนี่ยเผาจริงๆแล้วมันก็จับเนี่ยนะพระราชาสงสารก็เลยบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อย บอกอ้าวทำไมมันเชื่อฟังโอวาทท่านมากอย่งนั้นก็บอกเนื่องจากอาศัยมนพระเจ้าค่ะแล้วตอนนั้นละ่ะอยงั้นไอไอเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานก่อนอะ่ะทำไมมนมันช่วยไม่ได้ก็บอกไอนี้มันหนักกว่ามนพระเจ้าข่างั้นไอราคะดำกฤษณสเนี่ยมันหนักกว่ามนเนี่ยมากพระเจ้าค่ะโพธิสัตว์บอกแม่ไ อ, ไ อ, ไ, อ, ไ, อไอตันหาตัวนี้มันร้ายเหลือกเกินนะเพราะฉะนั้นเราพ้นจากตันหาอันนี้แล้วเราจะพ้นจะช่วยให้สัตว์พ้นด้วยอย่างนั้นนะก็ ให้มีอัธยาศัยที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ก่อนนีนะนะว่าตัวนี้มีโทษมากนะตัวนี้มีโทษมากถ้าหากว่าเราเห็นโทษภัยของตัณหาก็จะเห็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นจากตัณหาที่เป็นทุกข์สัตย์อย่าลืมว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนะนะเกิดจากตัณหาอย่างเดียวเนะี่ยทุกที่เกิดจากสแสวงหาทำมาหากินทะเลาะเบาแวงทั้งหมดเลยนะถ้าไม่มีตัณหาเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะไม่มีอะไรเด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดเกิดจากตันหาแต่ว่าวิชาสมัยใหม่ทํำยังไงคนจะมีตันหาน่ น, นะก็เลยเป็นส่งเสริมตันหาวิชาใดที่เป็นไปเพื่อทำลายตันหาวิชานั้นจักหมดไปจากโลกนั่นนะนถ้าพูดเพื่อให้ละตันหานะต้องพูดเลือกที่ด้วยนะแล้วก็เลือกเวลาด้วยนะพูดผิดที่ผุดเวลาไม่ได้แต่ถ้าเป็นส่งเสริมตันหานี่ไม่ต้องเลือกใช้ได้หมดเลยทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เป็นไร ยอมรับกันได้ออแปลงเป็นมันมั น, มนปิดแล้วมันตรงกันข้ามกันหมดแล้วน่ะอ้าวก็คำสอนที่เป็นไป อ, อย่างว่านะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ใช่ไหมถ้าจะดับทุกข์เนี่ยถ้าเดรัทธีเขาไปดับที่ไหนเดรัธีเดรัธีกับพุทธต่างกันเนี่ยสมมติถ้าเขาบอกว่า แต่ทีเขาบอกว่ารูปประขันเป็นทุกข์นะเขาจะไปจัดการไอ้ตัวรูปประขันเนี่ยนะถ้าเขาไม่ชอบเวทนาเขาจะไปจัดการกับเวทนาเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นทุกข์มันเกิดจากไหนท่านก็สาวไปที่เหตุเนี่ยนะอย่างที่ว่าทําเราได้เกิดแต่เหตุใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งธรรมะนั้นอย่างเช่นชีวิตทั้งมวลที่เกิดมาในโลกอะ่ะเกิดจากเหตุนะ พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุอันนั้นและความดับเหตุของธรรมอันนั้นไม่ใช่ไปบูชาเหตุนะศาสนาทางอินเดียตอนนี้นะบูชาเหตุเคยบูชาตระกูลศิวลึงค์ทั้งหลายแหละนะไปบูชาเหตุด้วยนะไปบูชาเหตุแห่งทุกข์นะไปบูชาเหตุแห่งการเกิดกนวะ่างั้นเพราะฉะนั้นนึกถึงอาจารย์ที่เป็นกายนะท่านก็บอกว่าทุกแห่งมันมีศิวลึงค์อยู่หมดเลยกวนะ่างั้นพวกนี้เทศการมันก็จะไปกราบไปไหว้บูชาเขาจะบูชานะ ไอ้ที่เป็นหลักโดโดๆอยู่ทั้งหลายที่ไปมีพวงมาลัยร้องทั้งหลายแหล่นั่นน่ะไปบูชาตระกูลเหล่านั้นทั้งหมดอ่ะก็บูชาเหตุแห่งทุกข์กันทั้งนั้นแหละนั่นน่ะที่ที่จะเห็นทุกข์เห็นโท ษ, เ ห, โทษเห็นภัยของกิเลสตัณหาเนี่ยมีไม่ค่อยมากเมื่อมีไม่มากไม่เห็นโทษการที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เรียกว่ามีโทษก็ไม่มีงั้นการพิจารณาให้เห็นโทษภัยของ ตันหาอันนี้เป็นความจําเป็นมากเนี่ยนะถ้ารังเกียจทุกจริ ง, รงๆก็ต้องรังเกียจที่ที่เหตุแห่งทุกเนี่ยนะที่ตันหาคือที่เป็นเหตุแห่งทุกทีนี้ถ้ารังเกียจตันหาที่เป็นเหตุแห่งทุกก็จะได้เดือดร้อนเข้ามาถามพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยนะหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกนะหมู่ประชาเนี่ยมันรกชัดขนาดเนี่ยจะทางชัดนั้นได้ยังไงอันโตชาตาเปหิชาตานะ ชัดทั้งหมดเลยนะชัดทั้งภายในอายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชัดหมดนะคำว่าชัดเป็นชื่อของตันหานะรกหมดเลยแล้วก็อารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมอารมณ์ก็รกชัดไปหมดเลยทีนี้หมู่ประชาเนี่ยมันรกชัดด้วยสิ่งเหล่านี้จะทางมันได้ยังไงพระเจ้าข่ามาันนะถ้าอย่างนี้นะถ้าตั้งโจทย์ไว้แบบนี้แล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกนี้ไม่ยากนะ แต่ถ้าไม่ตั้งโจทย์แบบนี้แล้วนะักศึกษาปะตายปดกไปก็เอ๊ะมแบบเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยนะศึกษาแล้วจะเป็นอื่นทันทีเลยแต่ถ้าโอ้โหชัดคือกิเลสตัณหานี่มากมายเหลือเกินปองก็บอกว่าเอางี้นะสีเลปฏิทหายะให้ตั้งอยู่ในศีลก่อนใช่หให้ให้ตั้งอยู่ในศีลอนโรสปันโยเนี่ยนะก็คือแต่คนที่จะตั้งอยู่ในศีลได้อย่างนี้ต้องเตหตโตกะปฏิสนธินะ นะบอกคอแม้เลยว่าต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะถ้าเป็นทุเหตุหรืออาเหตุเป็นอภพ菩ษ ต, ตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธิและต่อไปอีกจิตตังปัญญัจะภาวายังอบรมจิตนะและอบรมปัญญาอบรมจิตก็คืออบรมอธิจิตตสิกขาปัญญจะก็อบรมอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะ ภาวะยังที่เรียกว่าอบรมนะจิตตังปัญญาจะภาวะยังอบรมจิตและอบรมปัญญาอาตาปีนิปโกพิคุเนี่ยนะอบรมจิตอบรมปัญญา น, นี่ต้องทําด้วยความเพียร น, นะเพียรอย่างที่ว่านะคือเพียรเพื่อจะละบาปเพียรระวังบาปเพียรเจริญกุศลรักษากุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนิปะกะเนี่ยนะแปลว่าผู้มีปัญญาบริหารหมายถึงสัมปชัญญะ4ี่ประการดี เน้นพิเศษคือสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นเองเนี่ย น, นะนิกาก็คือสาธกะนั่นแหละอันเดียวกันเอ่อหรือสัมปชัญญะนั่นนะอาตาปีนิปะโกพิขุโส อ, อิมังวิชตาเยชะตังเนี่ย น, นะผู้ที่ดำรงอยู่ในศีล อ, อบรมจิตและปัญญามีความเพียรนะก็เท่ากับเจริญกุศลธรรมเหล่านี้กุศลธรรมเหล่านี้บริบูรณ์ขนาดไหนขนาดมักใช่ ขณะมักชื่อว่าสางชัดคือตัณหานี้ได้เนี่ยนะเอ่อถ้าถ้าเรามาย้อนพูดถึงตัณหาแล้วก็ธรรมะเป็นที่ที่ละคลายตัณหาเนี่ยนะอย่างเช่นรูปเสียงนะกลิ่นรสโรภชภัณพและธรรมารมทั้งหมดนี้เรียกว่าสังขาร นะหรือสังคตะธรรมสังคตะธรรมเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปิยรูปสาตรูปรูปตัวนี้แปลว่าสภาวะปิยะแปลว่ารักสาตะแปลว่าพอใจ รูปอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็คือสังขารเนี่ยน ะ, นะที่มาของสังขานี่มาจากไหนมหาพูทมหาพูท4สี่ใช่ไหมธาตุดินน้ามลมไฟมหาพูทต้องอาศัยนามเนี่ยนะน้ำมาจากไหนวิญญาณวิญญาณก็มาจากสังขารอันนะนะ แต่ว่ารวมๆทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือสังขารและก็พวกนี้ก็จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะตรงเนี้ตันหาก็จะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นธรรมะนี้เป็นที่ตั้งของตันหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสังขตธรรมเมื่อสังขตธรรมอ่ะการที่จะออกจากสังขตธรรมต้องอาศัยอะไรเนี่ยนะต้องอาศัยอสังขตธรรม นีนนน่ทีนี้พระองค์บอกเลยนะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสผู้ที่เห็นสังคตะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะโดยความเป็นของเที่ยงแล้วจะน้อมไปหานิพานที่เป็นอสังคตะธรรมอันนี้ไม่ใช่ฐานะ ทีนี้ถ้าไม่ไม่เห็นคุณอย่างนี้นะที่จะยังลงสู่สัมมัตตนิยามนิยามนี่แปลว่าความแน่นอนความแน่นอนโดยถูกต้องอ่ะนะความแน่นอนโดยถูกต้องของสัมมัตตนิยามซึ่งสัมมัตตนิยามเป็นตัวที่แทงตลอดอาังคาตาธรรมถ้าหากว่าเห็นว่าสังขารเป็นของเที่ยงแหมดีนะ ที่จะน้อมจิตไปเพื่อนิพานไม่ใช่ฐานนะถ้าไม่น้อมจิตอย่างนี้อรยิยมรรคเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้อัง น, นี้นะถ้าตันหาเนี่ยเป็นตัวที่เห็นสังคตาธรรมทั้งหลายว่าเป็นของเที่ยงเนี่ยนะตันหาเราเนี่ยมันพาไปไหนสูตรของเขาก็พาเกิดอะกิตของเขาเท่านี้ อันนี้เท่ากับปฏิเสธก่อนว่าถ้าผู้ใดเห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยงเท่ากับเขาเจริญตันหาเมื่อเจริญตันหาก็นำเกิดถ้าปฏิเสธว่าคนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุอริยมรรคไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสพระองค์บอกเลยว่าผู้ที่เห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงที่จะน้อมไปสู่นิพพานเนี่ยนะก็เป็นไปได้ แล้วเขาก็จักไอไอปัญญาที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคคือเขามีอัธยาศัยก่อนอัธยาศัยที่จะน้อมไปหาธรรมะที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลเนี่ยนะพอโน้มไปหาธรรมะที่สงบระงับเขาจากักถูกต้องสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคหมายถึงความถูกต้องแห่งกุศลธรรมโดยโดยชอบเนี่ยนะเป็นชื่อของอริยมรรคเพราะฉะนั้นต้องคำนวณว่า ที่เราคุ้นเคยบ่อยๆถ้าผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกใช่ไหมอันผู้ที่จะพ้นจากทุกคือผู้ที่เบื่อหน่ายในทุกเนนะอันเมื่อเบื่อหน่ายในทุกแสดงว่าเขาเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามมันมันดีอย่างเช่นมองเห็นว่าการเกิดนี้เป็นอะไรเป็นภยัยอสังกะตะธรรมเนี่ยนะที่ไม่เกิดนี้ปลอดภยัยอ่ะนะ ใช้คําว่าภาัยนี้ภัยมีอะไรบ้างราคะโภภัยก็คือชาติชาราพยาธิมรณะนะชาติภัยชาราภัยพยาธิภัยโจรภัยเป็นต้ น, นนะมองเห็นว่าการเกิดเป็นที่ตั้งแห่งภัยทั้งมวลอสังขตะธรรมธรรมะ ท, ที่สงบจากสังขารปลอดภัยทั้งมวลไม่น่ากลัวนะการเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าพ้นจากการเกิดเป็นสิ่งที่น่าน่ากลัวเขาก็จะน้อมไปหาอาสังขตะธรรมแล้วยังลงสู่สัมมตตนิยาม ถ้าไม่อย่งลงสู่สัมมตันนิยามแล้วเห็นชอบในกุศลธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะละตันหาได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะละตันหาได้เพราะเพรา ะ, ะไรเพราะยังชมในสังคตาธรรมอยู่ตลอดไม่ได้เพลิดไม่ได้ยินดีในอาสังคตาธรรมเพราะฉะนั้นพ้นทุกข์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดศาสดาหรือศาสนา น, นอกนอกคําสอนพุทธศาสนา พูดถึงหน้ารังเกียจบางอย่างแล้วก็หน้าชมบางอย่าง ني, ก็จะอยู่อย่างนี้นะชอบขันบางอย่างรังเกียจขันบางอย่างยกตัวอย่างว่าขันมีห้าจะไม่รูปเวทนาเนี่ยนะสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยนะบางศาสนารังเกียจ ร, รูปบางศาสนารังเกียจเวทนาบางศาสนารังเกียจสัญญาสังขารและวิญญาณมีพระพุทธศาสนาอย่างเดียวที่เห็นโทษทั้งห้าขัน ทั้งทั้งห้าขันแต่ที่เหลือนะเขาจะต้องยึดเอาไว้อันใดอันหนึ่งก่อนกลัวมันจะหมดให้มันเหลือไว้อย่างหนึ่งไว้เนี่ยนะบางคนไม่มาถามอาจารย์แลนิพพานนี่มันมันมันเป็นยังไงกันแน่มันมีเมืองหรือหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยนะก็ห่วงมากกันนะห่วงขันห้ามากเมืองทั้งจริงอ่ะนะทั้งหมดทว่าไปก็คือรูปประขันถ้ายินดีในรูปประขันนะนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นรูปประชานก็ไม่ได้ที่เป็น อรูปประชันยังไงก็ไม่ได้เพราะยังยินดีในในรูปประขันอยู่เลยนามขันชั้นสูงไม่ใช่ฐานนะอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ยังติดอยู่ในนั่นแหละยากจะได้ต้องเอาอย่างได้อย่างหนึ่งนะแต่เมื่อใดถ้าใครนะเผยลับที่ว่าจริงๆนิพพานก็คือรูปประขันอย่างหนึ่งนะแต่เป็นรูปประขันชนิดพิเศษคนก็จะแหกันไปเอาละนะบางเจ้าก็บอกหมายเวทนาขันนะมันดี บางเจ้าบอกสัญญาสังขารมันใช่มันต้องวิญญาณสิเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้นั่นแหละใช่เลยเนี่ยนะต้องเข้าถึงจิตเดิมให้ไดก้ก็สรุปแล้วก็วนอยู่ในขันห้าจนหน้านะติดในในขันห้าแต่ที่จะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่ยังมีไอชิดพิเศษนะอีกเนี่ยนะก็ยังแทรกอยู่ระหว่างนั้นอีกนะแต่สรุปแล้วว่ารัที่ในโลกเนี่ย ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะสอนเพื่อให้ออกจากสังคตะธรรมทั้งมวลไม่ใช่ฐานนะทีนี้ถ้าไม่มีจุดหมาย <conservatives. S 1> <Vera. S 2> เพื่อไม่ออกจากสังค ต, ต, ตะธรรมให้แทงตลอดอาสังคตะธรรมเนี่ยนะทีนี้ก็จะชมละทีนี้ก็จะเป็นที่มาว่าอันนั้นหน้าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นเน่ยก็จะมานั่งไล่กันละเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพองก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะสังคตธรรมทั้งมวลคือ ทุกใช่ไหมคือทุกความเพลิดเพลินในสังคตะธรรมทั้งมวลนั้นคือสมุทัยถ้าอสังคตะธรรมที่ไม่เป็นไปไม่มีในสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลนั้นเป็นนิโรธแต่อาศัยข้อปฏิบัติอันนี้อันนะคำสอนในพระไตรปิฎกใช้บทมากมายอันนะบทไม่มีประมาณพยัญชนะไม่มีประมาณอักขระไม่มีประมาณเนี่ยนะเยอะมากๆ เพื่อที่จะประกาศว่านี้ทุกนะนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเพราะฉะนั้นถ้าอ่านชาดกอ่านที่ไหนก็ช่างบอกตอนท้ายต้องประกาศอริยสัจเสมอเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรบอกสอนอริยสัจนะสำนุสรบอีกครั้งว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้ก็พูดแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองแต่ทีนี้ผู้ที่ยุด ไอ้ด้วยอํานาจอัตวาทุ่ปาทานนะเอ้าแล้วงั้นมันก็ดับช้ำสิเอาแล้วแกเนี่ยคือใครบอกบางคนก็บอกชั้นเนี่ยเป็นรูปนะบางพวกก็ยึดถือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณงั้นก็ดับอัตตาสิสรุปแล้วท่านนิพพานและสัตว์มันมีหรือไม่มีกันแน่แนะ่ะก็จะเข้ามาในโลกของส ก, กายะทิฏฐิอีกอยู่ดีก็วนๆอยู่นี่แหละเนี่ยนะทีนี้ยึดรูปมันก็จะได้รูปสมปรารถนานะแต่ว่ารูปแบบไหนไม่รู้นะ คือยึดนะถ้าคุณยึดรูปอะสิ่งที่ได้คือมหาพูดเนี่ยนะถ้ายึดรูปได้มาได้มหาภูตรูปอะอย่างนี้นะสมมุติว่าถ้าท่านในบรรดารูปทั้งหลายรูปนี้ประกอบไปด้วยมหาพูดใช่ไหมมหาพูดกับอะไรกับอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยโดยทั่วๆไปจะนิยมอะไรสีเสียงกลิ่น รถโพธาภะเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นะถามว่าได้รูปไหมได้ได้อะไรได้มหาพูดมหาพูดเนี่ยมันเป็นตัดใ จ, จของสีเสียงทีนี้มันมันได้มหาพูดแต่จะได้สีอย่างที่ต้องการหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะถ้าเพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในอารมณ์นะที่เป็นรูปทั้งหมดจะได้รูปคือแต่ได้มหาพูด แต่มหาพูดจะให้สีให้เสียงให้กลิ่นให้รสสมปรารถนาหรือไม่ไม่แน่เพราะอะไรเพราะมมหมาพูดก็เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตัวก็มีเกิดจากอาหารก็มีอั้นถ้าแต่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มหาพูดก็ให้อย่างที่คุณต้องการไม่ได้แต่สรุปรวมรวมว่าถ้าเพลิดเพลินในรูปจะได้รูปสมหวังน่แต่ทีนี้รูปก็มีพบไหนมั่งที่ที่ไม่มีรูป เว้นรูปประพบเสียที่เหลือมีรูปหมดไล่ตั้งแต่นรกขึ้นไปนะมีรูปหมดเลยตอนี้จะได้รูปแบบไหนก็สมควรแก่เหตุแต่ถ้าชื่นชมในรูปเพลิดเพลินในรูปต้องการรูปก็ยังไงก็ไม่พ้นจากจากรูปเนี่ยนะย่งคิดเอาขารูปมาค้าขายจะได้กันนะวันนี้พานมันมีรูปอยู่นะมีสีสีที่ดีมากเนี่ยนะก็ว่าไปก็ขายรูปประคันดีดีนี่แหละแต่ว่าในนามของ นิพพานที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวเลเนี่ยนะก็โทษของวัตตะจริงๆนะนเนีเยยังตองยั ง, ยงบางเจ้าบอกเอาขันพิเศษอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาอีกขันพิเศษที่มันนิรันดรมันเที่ยงพระองค์บอกไม่มีพิสูนทั้งหลายมันเท่าขี้โคก็ไม่มีอะที่มันเที่ยงอะนะที่ว่านี่นะ เท่าก้อนขี้วัวนะู้ใจเจ้าจับขี้วัวมาเลยนะบอกเอ๊ะาเมืองไทยเราอาจจะไม่เห็นนะไปอินเดียเนี่ยจับประจาเลยนะก็ตากขี้วัวไว้ข้างทางเต้มไปหมดเลยมีต่อครับไหนก็ให้ดูว่าแม้ขันเท่าขี้วัวเนี่ยที่เทียงกไ็ไม่มีไม่มีเที่ยงเลยขันเนี่ยนะวันนี้ก็สมควรกับเวลานั้น